บันี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในหมวดของทาตุปปาข้อต่อไปนั้นทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาถึงเตโชธาตคือธาตุไฟที่มีปรากฏอยู่ในกายของเรานี้คือไฟที่ ทำกาให้อบอุ่นไฟที่ทํากาให้สุดโทมไฟที่ทํากายให้กรวนกระวยและไฟที่เผาอาหารให้ย่อยต่อจากนั้นก็ให้เรียนรู้ถึงความมีอยู่ของไฟทั้งที่เป็นภายในและทางที่เป็นภายนอกจะมีขั้นตอนในการฟอกอัตยาใยจิตใจของบุคคลเป็นชั้นๆตามลําดับ ประการแรกที่พึงกำหนดศึกษาก็คือเรื่ององค์ของไฟที่นำเข้ามาเป็นบทเรียนของผู้ปฏิบัติธรรมโดยท่านยกเอาลักษณะอันเป็นองค์ของไฟมา5ประการด้วยกันประการแรกคือการเผาผลาญทําทลายสิ่งต่างๆประการที่สองคือไม่มีความกรุณาปรานีต่อเชื้อไฟทั้งหลายประการที่สคือขจัด ความนาวเหน็บประการที่4คือก่อให้เกิดความอบอุ่นและประการที่5คื อ, อกระจัดความมืดองค์ของไฟทั้ง5ประการนั้นเป็นภาพที่ปรากฏแก่สายตาของบุคคลทั่วไปแต่การมนัสิการหรือความใส่ใจถึงไฟก็จะมีการใส่ใจเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น ไฟเผาไหม้ก็มองในแง่ของการเผาไหม้ไฟที่ไหม้ประนีต่อเชื้อต่อเชื้อต่างๆก็ดูในแง่นั้นตามพระพุทธศาสนาก็เอามุมนั้นมามองในแง่ของธรรมโดยกำหนดเป็นองค์ของผู้ปฏิบัติธรรมหประการด้วยกันประการแรกคือไฟได้แก่ยานความรู้ ยานความรู้นั้นในแง่ของผลจริงๆคือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผ่านขั้นตอนมาตั้งแต่ชั้นศีลชั้นสมาธิจนถึงบรรลุฌานและในขณะนั้นสภาพจิตของบุคคลเป็นสภาพที่อ่อนพร้อมจะน้อมไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลาย ท่านก็สอนให้พิจรารณาถึงสังขารธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างไรซึ่งในแง่ของชาวโลกที่มองด้วยอวิชชาปิดบังปัญญาจาักสุไว้ก็จะมองเห็นสังขารธรรมทั้งหลายทรงกันข้ามกับท่านผู้มีญาณมีปัญญาที่มองเห็นกันคือชาวโลกทั่วทไปที่มีจิตใจถูกขอคุ้มด้วยอวิชชา มีลักษณะเหมือนกับแว่นสีจะมองเห็นสังขารทั้งหลายซึ่งไม่เที่ยงเมื่อเที่ยงซึ่งเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนไม่สวยไม่งามว่าเป็นของงามจิตใจก็จะกำหนัดขิดเคืองไปในอารมณ์เหล่านั้นตามสมควรแก่การกำหนดของตนในแต่ละขณะด้วยอาศัยเชื้อของกิเลสที่มีอยู่ในภายใน แต่เมื่อบุคคลได้อาศัยยานคือปัญญาเป็นเครื่องรู้ก็พิจารณาเห็นอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งเรียกด้านหนึ่งของสังขารธรรมเหล่านั้นโดยอย่างรู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหรือตามหลักของพระไตรลักษณ์และจะเกิดยานปัญญาบังเกิดขึ้น เมญานปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่ขจัดอะไรก็ขจัดบรรดากิเลสบรรดาอาสวะธรรมทั้งหลายที่หมักหมมอยู่ภายในจิตใจของคนหรือกรุ่ม ร, มรุมใจของตนให้หมอดไหม้ไปให้สงบเงียบไปนี่คือเป็นชั้นของสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันจะพบว่าไฟคือปัญญานั้น ไฟคือยานหรือปัญญาหนึ่งสามารถใช้ในกรณีต่างๆทั่วๆไปในระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาและตัดสินปัญหาต่างๆที่บังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนไม่ว่าที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสหรือที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจก็จะมีการวิเคราะห์สวจสอบ ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ก็คุ้มครองรักษาไว้เพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นไปถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็จะกระจัดความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นในข้อนี้ทรงอุปมาให้เห็นว่าเหมือนกระช่างทองหรือลูกน้องนของคนช่างทอง เวลาเขาทําทองนั้นก็ทองไปเผาไฟไล่สนิมออกสิ่งใดที่เป็นเนื้อของทองก็รักษาไว้สิ่งใดที่เป็นสนิมก็ขัดออกไปในขณะที่ทําอยู่นั้นก็มีการพลิกกลับไปกลับมาสวจดูสิ่งที่ควรละกับสิ่งที่ควรรักษาไว้ตลอดไปและเมื่อขัดกลาวจนขับไล่สนิมออกไปแล้วก็เอาทองนั้นใช้ ทำเครื่องประดับปิรักษณะต่างๆตามที่ตัวต้องการฉันใดจิตใจของบุคคลที่อาศัยญาณปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาสิ่งทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นในชั้นแรกจําเป็นจะต้องแยกแยะให้รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นมา แต่ในขณะที่เพิ่มพูนสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเองอาจจะไม่มีอาจจะมีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แปลกปลอมเข้ามาด้วยก็ให้มีการวิเคราะห์ตรวจสอบเป็นลักษณะของการพลิกกลับไปกลับมาดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดูกันไปเรื่อยๆจนกว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปโดยสิ้นเชิงนั้นคือกรรมีที่จะทําในขั้นต่อไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ ได้แก่การใช้เป็นการเพิ่มพูนคุณภาพของชีวิตจิตใจของตนให้มีความสงบให้มีความประณีตให้มีความสว่างมากยิ่งขึ้นและต้องใช้ไฟคือปัญญารุญานนั้นแยกแยะให้ทราบถึงแนวความคิดที่แกว่งไปแกว่งมาตามอำนาจของอารมณ์ซึ่งตามปกติแล้วความแกว่งของอารมณ์นั้นไม่ใช่แกว่งไปในทางไม่ดีเสมอไป โอกาสที่จะแกว่งไปในทางดีก็มีอยู่มากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นอัธยาศาัยหรือจิตใจของบุคคลยามใดที่ใจแกว่งไปในอารมณ์ที่เป็นกุศลก็คุ้มครองรักษาไว้ยามใดที่แกว่งไปในอกุศลก็เพียรพยายามละซึ่งการปฏิบัติในแนวนี้เป็นเช่นเดียวกับที่ทรงแสดงไว้ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติกำหนดระลึกดูจิต ที่ทรงสอนให้ดูจิตสองภากเช่นว่าจิตเรามีราคะหรือไม่มีราคะถ้าจิตมีราคะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราไม่มีราคะถ้าจิตมีราคะแล้วควรทําอย่างไรก็ควรจะมองให้เห็นโทษของราคะที่บังเกิดขึ้นรุ่มรุมใจว่ามีผลเป็นความกระสรับกระส่ายร้อนร้อน จิตที่ปราศจากราคะนั้นเมื่อปราศจากราคะแล้วมีกิเลสอย่างอื่นอยู่หรือไม่ถ้า่ามีกิเลสอย่างอื่นก็อยู่ในกลุ่มที่จะต้องละแต่ถ้าเป็นกุศลธรรมก็พยายามเพิ่มพูนในส่วนนั้นให้สูงขึ้นจนอยู่ในจุดที่ราคะจะจับต้องอีกต่อไปไม่ได้การพิจารณาในแนวนี้ก็เป็นเช่นนั้นแต่ดูแนวของความคิดเพียงอย่างเดียว ว่าความคิดเวลานี้ตกไปในแนวไหนถ้าเป็นแนวกุศลก็รักษาแนวอกุศลก็ละแน่นอนการปฏิบัติแนวนี้สติกสัมปชัญญะจําเป็นจะต้องมีการทํางานในลักษณะที่ประสานสัมพันธ์กันพระสติมีลักษณะเป็นตัวรึกสรรัญญติมีลักษณะรู้และเข้าไปตัดอารมณ์เหล่านั้นในขณะเดียวกันก็มีปัญญาแยกแะถึงเสฐานที่ถึงบุคคลถึงอาหารถึงอารมณ์คือธรรมะ ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ว่าอาหารเป็นต้นเช่นไรที่ก่อให้เกิดเป็นความสบายเกื้อกูลแก่ตนก็รับประทานอาหารเช่นนั้นถ้าในกรณีที่ไม่เกื้อกูลก็ละเว้นงดไม่รับประทานอาหารเหล่านั้นแต่ปริมาณของปัญญาหรือญาณหรือความรู้ในระดับนี้จะต้องแยกแยะได้ระหว่างความหลงกับความไม่หลง เพราะปัญญานั้นตรงกันข้ามกับความหลงแต่ถ้าปริมาณของปัญญาเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถขจัดความหลงได้ก็จําเป็นจะต้องเพิ่มพูนปริมาณของปัญญาให้สูงขึ้นคือต้องขจัดหลงได้ที่นี้เมื่อขจัดความหลงได้การควบคุมอาการกายวิชาใจของบุคคลก็จะเดินไปตามคันลองแห่งธรรมประการต่อไปในชั้นของการปฏิบัตินั้น เมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นกิเลสก็จะต้องไม่มีความกรุณาปราณีต่อกิเลสเหล่านั้นเช่นเดียวกับไฟที่ไม่ปราณีต่อเชื้อถึงแม้จะมีเชื้อมากมายอย่างไรก็ตามไฟก็ต้องเผาให้หมดไปเช่นใดจิตใจของบุคคลผู้น้อมน้อมไปในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องมองกิเลสให้เห็นเป็นกิเลสเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองเป็นเหตุแห่งความทุกข์แห่ความเดือดร้อน ซึ่งผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นเป็นผลที่บุคคลไม่ปรารถนานั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากแรงผลักดันของกิเลสทั้งหมดจะต้องไม่ปราณีจะต้องไม่อะไรายเยื่อใหญ่ในกิเลสเหล่านั้นซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่ากิเลสบางอย่างนั้นบางครั้งแก่จะมาในรูปของความเป็นมิตรแสดงอาการหวังดี วงใจอะไรในความเป็นอยู่ในสุขภาพพลานามัยของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าไฟคือยานหรือปัญญาเกิดขึ้นน้อยบุคคลก็อาจจะไม่รู้ได้ซ้าไปว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมานหรือเป็นกิเลสที่คอยขัดขวางล่างผ่านจิตใจของตนข้อนี้พึงดูตัวอย่างอันเป็นปฏิปทาของพระ เ, รเจ้าทั้งหลายในขณะที่ท่านบำเพ็ญเพียรอยู่นั้น กิเลสประเภทนี้เกิดขึ้นในรูปของกิเลสสมานบ้านในรูปของเทวปุธตมานคือเป็นตัวตนเป็นบุคคลเข้ามาชี้แนะหักเททิศทางแห่งการประพฤติปฏิบัติออกไปบ้างแต่ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นไม่รู้ว่านั้นคือเสียงกระสิบสัง่งเสียงออดอ้อนอ้อนบอนขอร้องของกิเลสก็จะหลงทางในการประพฤติปฏิบัติบางครั้งบางคราวเป็นเรื่อง ที่น่าสลดน่าอนาจใจที่ท่านซึ่งพัฒนาจิตใจขึ้นไปสูงอยู่ในจุดของเจีุรติชาญเลยซ้ำไปแต่เกิดไปเห็นอารมณ์ที่เป็นค่าสื้อข้าวแทนที่จะไปกำหนดในแนวของวิปัสสนากรรมฐานกลับไปกำหนดในแนวตรงกันข้ามคือกำหนดสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเป็นต้นในที่สุด กิเลสซึ่งสงบอยู่ก็ได้เชื้อบวกจากภายนอกเข้ามาก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพจิตจากความสงบจากความสะอาดกลายเป็นความฟุง้งซ่านความซัสดสายกวนแหว่งของจิตฌานที่ท่านอุษาเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติมาเป็นเวลานานก็เสื่อมและเสื่อมลงไปโดยลําดับเสื่อมบางท่านเสื่อมรุนแรงจนถึงกับตกต่ําไปกว่าชีวิตเดิมของท่านโดยซ้าไป นั้นในชัน้นนี้บุคคลผู้พิจารณาจะต้องไม่มีความอาลัยไม่มีความเชื่อใจในสิ่งเหล่านั้นการจะไม่เกิดความกรุณาต่อกิเลสขึ้นมาได้จําเป็นจะต้องอาศัยการแยกแยะให้ชัดเจนมองเห็นความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ที่เกื้อกูลนำนวยความสุขให้จากธรรมะและผลคือความไม่เกื้อกูลนำนวยความทุกข์ให้ของกิเลสทั้งหลาย ไม่ว่าจะละเอียดประณีตอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่บุคคลไม่ควรดูหมิ่นทั้งนั้นเฉินเดียวกับการที่บุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าอสรพิษตัวเล็กหรือไฟกองน้อยหรือกษัตริย์ยังทรงพระเยาหรือภิกษุยังหนุ่มเชนั้นเพระสิ่งทั้งสี่ประการนี้พร้อมที่จะก่อให้เกิดเป็นอันตรายได้แก่บุคคลที่ละเมิดแก่บุคคลที่ขาดความระมัดระวังเวลาไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ท่านี้จะเห็นได้ว่ากิเลสประเภทที่ท่านเรียกว่าฉับปาคือตัวกระซิปนั้นเป็นอาการของตันหาเป็นความทยานอยากแห่งใจส่วนมากแล้วจะออกมาในรูปของกามาตันหาคือความอยากในรูปกับความอยากเป็นเป็นส่วนวิปวะเป็นส่วนภาวะตันหาเวลาการ แ, แสดงตัวออกมาจะมีลักษณะเอื้อเฟื้ออาทรต่อบุคคลเหล่านั้นจนจะนั่งทําความสงมบ ก็จะกร ะ, กระสิบใจตักเตือนห้ามปรับเพราะวันนี้ทํางานตอนกลางวันมาเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไปทําวันอื่นเถอะหรือถ้าเรายังเข้มแข็งอดทนอยู่ก็จะมีเงื่อนไขเข้ามาต่อรองพ อ, อถึงจะทําก็ทําให้เป็นรายนอนทําก็ได้เพื่อจะลดหยอดในด้านเวลาแล้วในที่สุดถ้าเราเกิดอ่อนไหวหลงทางแก่ก็จะเข้าไปอยู่ในข่ายของแกอีกต่อไป ความกรุณาปราณีนั้นพระพุทธศาสนาได้สอนเฉพาะให้บุคคลแสดงแก่สัตว์ผู้กำลังประสบความทุกข์แต่ไม่ได้สอนให้ใช้แก่กิเลสทั้งหลายพระตาหากว่าบุคคลสงสารกิเลสกลัวจะเสื่อมกลัวจะลายไปแล้วกิเลสแก่ก็จะได้พวกเพิ่มพูนขึ้นเหมือนการกรุณาต่อเชื้อโรคต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆกลัวแก่จะเป็นอันตรายกลัวแก่จะเดือดร้อนไม่มีการเยียวยารักษา ในที่สุดร่างกายก็กรลจายเป็นรังของโรคถูกโรคทำลายไปท่านจึงสอนไม่ให้กรุณาต่อกิเลสทั้งหลายประการต่อไปก็คือว่าการขาจัดความหนาวเหน็บต่างๆที่บางเกิดขึ้นความหนาวเหน็บทางใจที่เกิดขึ้นแกบุคคล น, นั้นจะพบว่าเป็นดวนแล้วแต่เป็นแรงดันของกิเลสทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้น มีอาการเสียแทงบังคับให้สายหรือบังคับให้สั่นไปตามแรงของกิเลสต่านั้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์สรวจสอบดังกล่าวแล้วยกตัวอย่างเช่นความหมกมุ่นคลุ้นคิดอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรียกกันว่าความวิตกงังวลในที่สุดเมื่อหมกมุ่นคุ้นคิดมากก็จะมีความเกรงเครียดในด้านจิตใจ แลแสดงออกมาในด้านร่างกายในตอนนี้จำเป็นจะต้องอาศัยไฟคือญาณหรือปัญญาข้าไปสอดส่องอารมณ์ในขณะนั้นวิเคราะห์สืบสาวถึงต้นเหตุของความวิตกความกังวลความเดือดร้อนซึ่งข้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าความวิตกของคนนั้นไม่ว่าใครจะวิตกเมื่อไรที่ไหนโดยวิธีอย่างไรก็ตามใจก็จะสายไปในวัตถุและในการทั้ง3าประการ หรือยสายไปในวัตถุอดีตหรือสายไปในวัตถุอนาคตหรือสายไปในวัตถุที่มีอยู่ปัจจุบันเป็นแน่นอนการสายไปเหล่านั้นบางครั้งให้ความ บ, บุญซึ่งถ้าให้ความบุญก็ไม่เกี่ยวกันในกรณีที่ให้ความบุญให้ความรู้ว่าที่จริงก็สายไปในการทั้งสามเหมือนกันเช่นอะไรเช่นทรงสอนให้บุคคลพิจารณาถึงสัตว์และสังขารหรือนามรูปโดยสรุป สิ่งที่กําหนดนั้นคราวแรกก็เป็นกําหนดนามรูปที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นคือในปัจจุบันธรรมแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นใจไปกําหนดอีกแนวหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งดังกล่าวในตอนต้นเมื่อบุคคลได้มากําหนดพิจารณาในแนวใหม่คือแนวของใจหลักก็จะมองเห็นนามรูปที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตกอยู่ในสภาพของใจหลักแต่ว่าความเกี่ยวเกาะทางใจนั้นไม่ได้เกี่ยวเกาะเฉพาะนามรูปในปัจจุบัน เรเกี่ยวกับนามรูปทั้งที่เป็นอดีตและทั้งที่เป็นอ น, นาคต ท, ท, ทั้งที่หยาบทั้งที่ละเอียดทั้งที่เลวทั้งที่โปรตีทั้งที่ไกลทั้งที่ใกล้ดังนั้นเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบนามรูปในปัจจุบันเห็นเป็นของไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร า, ไ ม, เราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็เพื่อจะตัดความน่วงเหนียวทางใจที่เกี่ยวข้องกับนามรูปในอดีตอนาคตก็กําหนดพิจารณาในแนวที่เห็นว่า นามรูปทั้งหลายที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาวก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีนามรูปนั้นก็เป็นเพียงสักแต์เ่านามรูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาแต่นั้นจึงไม่ใช่ของเราและไม่เป็นเราที่เป็นเรานั้นเป็นการยึดถือด้วยอำนาจสิ่งที่เรียกว่าอาหางการคือเป็นเรา ที่เป็นของเราเป็นการยึดถือด้วยอำนาจความรู้สึกที่เรียกว่ามะมังการคือของเราของเราอะไรก็าตามที่เรากับของเราเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้วหากขาดปัญญาเป็นเครื่องกำหนดพิณิพิจนาก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่สืบเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดแม้เป็นการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆวัทรั์ของเราบ้านของเราลูกของเราหลานของเราเป็นต้น แล้วจะดึงไปในส่วนต่างๆเหล่านั้นเข้ามาสำคัญกันความทุกโศกร่าไรปิริภัยราพันต่างๆก็จะเกิดขึ้นติดตามมาดังนั้นเมื่อมองในลักษณะนี้ว่าไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช้ตนของเราก็ขอให้เกิดเป็นความอบอุ่นความเยือกเจ็นตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่ลักษณะหนาวเหน็บทางใจที่เกิดขึ้นด้วยอารมณ์ ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้จิตใจเกิดความตึงเครียดเกิดความไม่ส ง, งบดังกล่าวนรุคคลพิจารณาแล้วก็ใช้ไฟคือยานหรือปัญญาเข้าไปสลายบรรเทาความหนาวเหน็บเ่านันซึ่งในการบรรเทานี้บางครั้งก็สรงแสดงในรูปของการพิพิจารณาที่ทรงใช้คำว่าเป็นพนักอิงคำว่าพนักอิงนั้น เป็นการอิงในแนวนิรภัยหรือแทนที่จะอิงเพียง3ด้านก็ทรงสอนให้มีหลักอิงทั้ง4ด้านคือการพิจารณาสิ่งที่ตนเข้าไปสัมพันธ์ในปัจจุบันเจนว่าปัจจัย4ี่เมื่อสัมพันธ์กับปัจจัย4ปัจจัย4มีปัญหาและก็แก้ปัญหาคนเราขาดปัจจัย4ี่ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันปัจจัยสีก็สร้างปัญหาให้เกิดขึมากเหมือนกัน ประส่งสอนให้ใช้ญาณปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาในส่วนนี้กําหนดถึงวัตถุประสงค์ผลประโยชน์ที่พึงต้องการจากการใช้ปัจจัยสเมื่อสําเร็จบรรลุผลตามที่ตนต้องการก็ชื่อว่าเป็นการยุติในส่วนนั้นใจก็จะไม่สายจนถึงออกไปในรูปของทุจริตเวลามีการกระแทกกระทันจากอารมณ์ภายนอกปัญญาก็เข้าไปวิเคราะห์ตรวจสอบอารมณ์ดังนั้น เห็นว่าเป็นกุศลก็ปล่อยมาเป็นอกุศลก็ทนไว้ไม่เข้ามาวิธีความคิดถ้าเป็นอกุศลก็บันเทาไว้ถ้าเป็นกุศลก็เพิ่มพูนขึ้นอกุศลถ้าเป็นกุศลก็เพียนเปียนพยายามรักษาเป็นอกุศลก็เพี่ยนพยายามละนี่ก็คือเรื่องของการใช้ไฟคือยานหรือปัญญาในกรณีที่เกิดความน้ำเนบอารมณ์ เพื่อกอให้เกิดเป็นความอบอุ่นกระจัดความหนาวเหน็บเหล่านั้นออกไปในตอนต่อไปก็คือเรื่องของการใช้ไฟในลักษณะที่ก่อให้เกิดเป็นความอบอุ่นความอบอุ่นนั้นตรงกันข้ามกับความร้าร้อนความร้าร้อนมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอารมณ์เพียงสองสายที่แสดงมากที่สุดในชีวิตของคน เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ว่าจะแสดงในพระสูตรอะไรก็ตามจะ ก, กําหนดอารมณ์จะพูดถึงอารมณ์สองแนวเท่านันแนวที่เรียกว่าอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าปรารถนากับอนิฐารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาที่จริงอารมณ์ก็คืออารมณ์การจะน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนานั้นขึ้นอยู่กับใจของบุคคลไปกําหนดอารมณ์เหล่านั้นบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั้น เป็นรูปเสียงกรลี่นรถที่มีอยู่เป็นอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วมันก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นแต่ว่าใจของบุคคลที่เข้าไปสัมผัสกับอารมณ์จะมีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่แตกต่างกันเช่นว่ามีเสียงหนึ่งยกตัวอย่างอาจจะเป็นเสียงเพลงก็ได้พื้นใจของบุคคลที่แตกต่างกันนั้นจะกำหนดเสียงเพลงเป็นสองด้าน คือน่าฟังกับไม่น่าฟังทั้งๆ ท, ที่เป็นเพลงเพลงเดียวกันเพราะอะไรเพราะการจะเป็นเพลงที่น่าฟังหรือไม่น่าฟังนั้นมันอยู่ที่เชื้อภายในใจของคนถ้าเชื่อที่มีการปลูกฝังความกำหนัดความพอใจในเสียงเพลงเหล่านั้นไว้พอได้ยินก็จะเงี่ยหูลงกําหนดด้วยความเพลิดเพลินเบิกบานใจมีความปรารถนาคอยคว้าที่จะได้ฟังต่อต่อไป แต่ถ้าใจไปเกิดกำหนดไปว่าเป็นของหน้าไม่หน้าใครไม่หน้าปรารถนาก็ให้เกิดความรำคาญเพียงได้ยินเท่านั้นเองอารมณ์ฝ่ายปฏิฆะคือครายโทสะก็จะเกิดขึ้นแะแต่ถ้าหากว่าใจของบุคคลไม่มีกำหนดทั้งสองทางเพลงก็สักแต่ว่าเพลงเสียงก็สักแต่ว่าเสียงไม่แกว้งไปทั้งในด้านรักใคร่ปรารถนาหรือไม่รักใคร่ปรารถนา อารมณ์เหล่านั้นจึงทรงใช้คาว่าอาภิชากระทมันั้นหรือน่าคร่น่าปรารถนาน่าพอใจกับไม่น่าคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเนื่องจากเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าโลกของเราเป็นโลกของสัมผัสพูดไปพูดมาก็มาเจอกับตรงนี้ทุกทีเพราะสิ่งที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตก็ให้เกิดเป็นความเล่าร้อนทางจิต และการสายไปตั้งจิตนั้นก็คือสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือที่ใจเพราะถ้าใจไม่ไปกําหนดปัญหาทางกระบวนการนั้นไม่มีแต่ที่เกิดเป็นกระบวนการเป็นปฏิกริยาลูกโซ่เกิดสืบเนื่องขึ้นมาเพราะใจไปตั้งไว้ผิดไปกําหนดไว้ผิดเท่านั้นดังนั้นแนวในการกําหนดอารมณ์เพื่ออให้เกิดความอบอุ่นตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์แต่ว่าเกี่ยวข้องกับใจของบุคคลที่ไปกําหนดอารมณ์เพราะอารมณ์ก็คืออารมณ์ดังกล่าวเราจะกําหนดให้ดีก็ได้กําหนดไม่ให้ดีก็ได้กําหนดกลางๆก็ได้และอารมณ์ที่เคยกําหนดว่าดีนั้นวันหลังอาจจะกําหนดไม่ดีก็ได้อารมณ์ที่กลางๆอาจจะกําหนดว่าดีหรือไม่ดีก็ได้และอารมณ์ที่ไม่ดีอาจจะกําหนดว่าดีอีกทีหนึ่งก็ได้ นี่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ภายภายนอกกับสภาพสภาวะจิตของตนในขณะนั้นดังนั้นเมื่ออารมณ์ผ่านมาอารมณ์ใดที่เป็นเหตุให้เกิดความเล่าร้อนก็ต้องบันเทากระแสของอารมณ์แต่อารมณ์ใดที่เป็นกุศลมีความเกื้อกูลแก่ใจของตนดังกล่าวแล้วก็เพิ่มพูนรักษาอารมณ์เหล่านั้นเพราะในขณะที่กิเลสมันเข้ามาทางประสาทสัมผัสธรรมะก็เข้ามาทางประสาทสัมผัสเหช่นกัน แต่นั้นท่านจึงสอนในเลือกเฟ้นอารมณ์ไม่ใช่ว่าละทั้งหมดหรือว่ารับทั้งหมดแต่เป็นการละการรับตามสมควรแก่อารมณ์นี้เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาที่มคีคุณสมบัติของคนทั้งหลายนั้นมีอยู่แล้วไม่ใช่ไปดึงสิ่งนอกโลกมาใช้แต่ดึงเอาคุณสมบัติที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนั้นให้มีประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองวันนี้เพิ่งดูตัวอย่างง่ายๆ จะโนรับผลไม้มาผลหนึ่งก็กำหนดได้ทั้งทีว่ารับประทานได้กับรับประทานไม่ได้หรือมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์หรือน่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนาก็เป็นแนวเดียวกันแต่เวลารับอาจจะรับทั้งหมดในที่สุดก็ต้องทิ้งส่วนหนึ่งออกไปแล้วก็รับประทานไปเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ร่างกายคุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่คนมีกันอยู่แล้วทุกคน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานขึ้นเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ให้มีปัญญาเห็นประจักษ์ชัดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะและปฏิบัติไปตามสมควรกรณีของอารมณ์ที่บางเกิดขึ้นถ้าเกิดกูลก็รับไฟไม่เกื้อกูลก็ละไปใจก็จะเกิดเป็นความอบอุ่นความสงบความสุขขึ้นมาและหน้าที่หลักของไฟนั้นก็คือการขาจัดความมืด หน้าที่ของยานปัญญาก็คือการขจัดอวิชชา จ, จึงสอนในรูปขององไฟประการสุดท้ายก็คือการขจัดอวิชชาอาวิชชาเป็นรากง่าวเป็นต้นเขาวของสัพปกิเลส ท, ทั้งหมดที่เบ่งบานแต่กระจายออกไปภายในจิตของบุคคล น, นั้นถ้าสืบสาวถึงต้นตอแล้วอยู่ที่อวิชชาทั้งหมดเลยแม้พฤติกรรมที่เป็นเรื่องของทุจริตทั้งหลายจะเห็นได้ว่า การฆ่าสัตว์ของบุคคลถ้าฆ่าด้วยความโกรธก็มีอวิชชาปนอยู่ถ้าฆ่าด้วยความโลภก็มีอวิชชาปนอยู่หรือบางครั้งเป็นการสัมดงของอวิชาตรงๆไปเลยเช่นพูดรังแกสัตว์พวกเปลี่ยนเปลียนสัตว์พวกโดยไม่รู้เหตุไม่รู้ผลแต่การสัมดงเหล่านี้บางครั้งก็สัมเดงออกมาในรูปของความหลงคือไม่เข้าใจเหตุเข้าใจผลอะไร เป็นลักษณะอาการดันทุรังภายในจิตใจซึ่งหมายความว่ามีอวิชชาอยู่มากเกินส่วนจนไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป